ในข้อที่สองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าอิทธิปาฏิหารมีผลเพียงให้คนยอมแพ้แต่ม่ทำให้คนลายเห็นพระธรรมของพระองค์ได้พระองค์จะทรงทาให้คนบรรลุมรรคผลได้ต่อเมื่อได้ทรงแสดงอนุสาสนีปาติหารอีกชั้นหนึ่งเช่นในเรื่องพระอุรุเวลกัสปะพระองค์ทรงสแสดงอิธิปาติหานเพียงเพื่อให้พระอุรุเวลกัสปะยอมว่าสู้พระองค์ไม่ได้และจึงทรงสแสดงพระธรรมเทศนา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 อยู่ที่อนุสาสนีปาติหารเปรียบเสมือนบ้านเมืองที่จะตั้งเป็นมหาประเทศได้ไม่ใช่เพราะกำลังกองทัพมาคมาอย่างเดียวจะต้องเจริญด้วยวิทยาการเป็นเครื่องเพาะความนิยมของประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นปาฏิหารทั้งสามประการมีในดังได้จำแนกไว้ข้างต้นแล้วนั้นต้องนับว่าอนุสาสนีปาติหารเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าอย่างอื่นเปรียบเหมือนมหาประเทศ